ฉะนั้นสรุปก็คือกายก็คือรูปขันไงนะนี่สืบค้นไปจากกายก่อนแล้วก็ต้องไปรู้จักเวทนาขันสัญญาสัญขาอวิญญาณอยู่ดีส่วนเวทนาก็คือเข้าสู่เวทนาที่สุดก็ต้องไปดูกายดูเวทนาจิตและธรรมเป็นต้นอยู่ดีเนี่ยก็เข้าไปอยู่ขันห้าจิตก็เป็นช่องทางแรกของการเดินเข้าไปที่สุดจริงๆก็ไปกำหนดรูปนามขันหแล้วก็ธรรมะก็เป็นช่องทางใงการเดินเข้าไป แลสุดท้ิงก็ไปวิจัยรูป น, ขนาขันหน้านั่นแหละก็เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นทางเดียวเหมือนกันหมดดังพิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ว่านี่ไงที่พระศาสดาเพียรบาเพ็ญบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบปรมัตถบารมีสิบเนี่ยเนี่ยแผ่วทางทางเปิดทางนี้ไว้แล้วทางนี้ถูกปกปิดมานานไงหลายสังสารวัตใช่ไมไม่มีใครค้นเจอ เพราะถูกปิดถูกทับถมมาด้วยชาติภัยชลาภัยพญาธิภัยวรณ า, าภัยพระศาสดาษษษษก็ตัดสรุอนุตระก็มาเปิดทางนี้ไว้เป็นมรดกให้กับพุทธบริษัทของท่านใช่ไหมเพราะท่านมั่นใจมั่นใจฮะอาจารั์บ๊วยอาจารย์บจาก ธ ร, รัร ก, ก็คือสิ่งที่พวกเราต้องระวังมากยิ่งนักเพราะว่าอย่างพระพาเนี่ยอท่านพระาที่บังกเนี่ยสีสงขนั้นก็เป็น4 ส, สุญญอสงไข่แต่ด้วยความที่เป็นมหาบุตของโลก น, นี้แต่เราเป็นคนซึ่งก็ผ่านมาเยอะมากแ้วจเจอสี่อสงข่เนี่ยต้องระมาาัดวางอย่างมากมากนกตรงนี้นี่แหละว่าเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์ระดับเอกอุอย่างท่าน ฉะนั้นเส้นทางอันยาวไกลที่เราจะต้องเดินต่อไปในสังสารวัตถ้าเราคิดว่าพ้นทุกข์ไม่ได้ในาศาสนาของพระเจ้าองค์นี้หรือองค์ถัดไปนะถามว่าจะหวาดเสียวสักเพียงไรเนี่ยหวาดเสียวแน่เพราะเพราะนั้นทุกคนต้องวางแผนแล้วมานั่งเฉยเฉยไม่ได้แล้วเนะต้องวางแผนแล้วมันเป็นเรื่องของการวางอนาคตมากๆเลย ที่ผ่านมาถือว่าผิดพลาดแล้วผิดพลาดเรียบร้อยไปแล้วงั้นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเวลาในการหายใจในภพนี้ก็เหลือน้อยด้วย เ, อ, เอาสิเวลาในการที่ลมหายใจในภพนี้เหลือน้อยและมานั่งเฉยๆไม่ได้จริงๆชีวิตนะจริงมหมย่อมยอมจีว่าไงเฉยไม่ได้แล้วใช่ไหมเฉยไม่ได้แล้วต้องกระตือรือร้นแล้วฉะนั้น หลานเริ่มไม่ค่อยสำคัญแล้ว <c oughs> ใช่ไม <c oughs> บอกว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ใช่สำคัญแล้วไม่ใช่เป้าหมายแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเดินทางอย่างไรสังสารวัตที่ต้องเจ็บปวดเนี่ยแล้วมานั่งคิดดูว่าให้สังเกตดูยานปัญญาของเรานะถามว่าพอเรา โตขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ได้เคยฟังทำเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าชันไหนโนาะเราพึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลต้องการกายที่เน่านี้อันเต็มไปด้วยซากศพมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นไหมถ้าไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าเนี่ยการถูกทับถมไปเรียบร้อยแล้วอัธยาสัยที่เราเคยบําเพ็ญมาเนี่ยพบชาติน่าจะทับถมจนเรานึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วใช่ไหมที่ลองมาฟังคําสอนแต่เนี้ย ศึกษาคําสอนกันมานะวันนี้แล้วเนี่ยแล้วความสะดุงสะเทือนนะเอามาฟังยมสุวรรณพูดตอนวันอย่างนีงเออ้เธอบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยตอนนี้ร้อนรู้สึกสะเทือนแล้วสะเทือนใจแล้วว่านี่เดีอยวพ่เด็กนะว่าสะเทือนใจว่าเออพอมาเข้าใจเรื่อง เรื่องกรณีว่าเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเกิดเป็นเปรตอสุรกายเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้าใบบอดหนัวเคยทํากรรมชั่วเคยเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นพรมเป็นมหาพรมว่างั้นไปฟังมาอย่างนี้แล้วสะดุ้งแล้วที่หนักที่สุดเคยทําอนันตริยกรรมเนี่ยโอ้โหนี่ลําบากเลยว่างั้นไอ้ตรงเนี้ย ลำบากเลยพอนึกอย่างนี้เลยกลัวเลยตรงนี้ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์นี่นะท่านชํานาญมากท่านบอกว่าเราเป็นพราหมณ์ชื่อมีนามวสุมเมธะในนครนมรวดีมีทรัพย์สั่งสมไว้มากไว้หลายร้อยโกดมีสมบัติและข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงก่อเรียน ทรงพระเวทถึงฝั่งแห่งไตเพทแล้วก็เป็นผู้สำเร็จวิชาไทยลักษณะคำพีปุราณะและคำพีพิธีกรรมของพราหมณ์ทั้งสิน้นในครั้งนั้นท่านนั่งดำริท่านคิดบอกว่าในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในที่ลับท่านก็มาดำริว่าท่านใช้คาว่าราโหคาโตนีส ah ok ิทิทวา เอวังจินเตสหังตาดาดุโคปุนาพโวนามาสรีราซาจะเพธนังสัมโมหมรนังดุขังชรายาภิมาธานังบอกว่าในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในที่รับก็ดำมเลิคิดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดในพบใหม่เป็นทกมาก นี่แปลว่าอะไรท่านเห็นชาติทุกข์ท่านเห็นชาราทุกข์พยาทีทุกข์มรณะทุกข์เห็นความโศกความร่ำไรําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่เป็นทุกข์ท่านบอกว่าการแตกทำลายแห่งร่างกายเป็นทุกข์และที่หนักไปกว่านั้นน่ะการตายด้วยโมหะได้ความหลงด้วยกลุ่มสามโมหะเป็นทุกข์การถูกชาาย่ายีก็เป็นทุกข์ว่างั้น ท่านก็บอกว่าในการนั้นเราเป็นผู้มีปกติเกิดมีความเกิดเป็นธรรมดามีปกติแก่มีติมีปกติป่วยไข้เป็นนิดท่านเนาะจักแสวงหานิพพานแล้วท่านบอกจะแสวงหานิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนเกษมนี่ความคิดอย่างนี้นี่คือลักษณะของพระโพธิสัตว์หรือลักษณะของคนปรารถนาพ้นทุกข์เหมือนภาษารบุตรเห็นไห ไปดูอะไรแป๊บเดียวแล้วสะเทือนเลยไม่น่าเพิดเผลินและไม่น่ายินดีแล้วแล้วจะสแสวงหาอมาตะว่างั้นท่านก็คุยกับเพื่อนเลยใครพบอมาตะทรมาบอกกันหน่อยเงี้ยนี่เนี่ยกลุ่มมีบุญจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไม่ได้ฐานะนี้นะโอ้ต้องเล็งฟังฟังให้สะเทือนเนี่ยฟังจนสะเทือนใจแล้วก่อนจิตน้อมออกให้ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ หรือมาเจริญสติปัฏฐานเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบ็ดเสร็จแปลว่าอะไรเราเข้าใจแล้วว่ากายเนี่ยมันกายเนี่ยรู ป, ปรกายก็เปื่อยเน่าใช่ไ้เขาจึงบอกว่าทางหลุดพ้นมีอยู่เป็นแน่จากไม่มีไม่ใช่มีไม่มีเราจากแสวงหาทางหลุดพ้นเนี่ยท่านถึงบอกว่า เราเป็นผู้ไม่เหลียวแลแล้วต้องการสละกายที่เต้าที่ที่เน่าเปื่อยเนี่ยอันเต็มไปด้วยซากศพแปลว่าท่านเห็นแล้วเห็นซากศพต่างๆที่เต็มไปหมดใช่ไหมนี่ท่านก็มาบอกว่าเราตกอยู่ในหลุมคูดนะตอนนี้หลุมคูดเต็มไปหมดนี่นะหลุมอุจาระนี่นะต้องสระมีพระาศาสดาบอกทางไปถึงสระเรียบร้อย ตอนนี้ถูกศัตรูร้อมเขาไว้ด้วยเนี่ยศัตรูร้อมไม้หมดเลยแต่ทางหนีพระศ า, าสดาบอกไว้แล้วเราไม่หนีเนี่ยเรามีทางหนีเราอ่านทางกันแล้วฟังทางหนีแล้วเนี่ยท่านเ่งบอกให้หาทางหนีนะไ อ, อาทางปลอดภัยมีอยู่เนี่ยนั้นถูกราคากุ้มรุมโทรสะกุ้มรุมโมหากุ้มรุมมานาทิทธิวิจิกิชาหีริกาโนะทะปะอุทะจั๊ เราไม่เดินตามทางที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้กุ่มรุมอย่างนี้เป็นไม่ใช่ความผิดของทางแล้วไม่ใช่ความผิดของพระศ า, ศาสดาแล้วใช่ไหมความผิดของเราแท้ๆเลยเนี่ยตอนนี้เราป่วยไข้ยอยู่เราต้องหาพระพุทธเจ้าจริงๆตรงนี้นี่แหละในชั้นของคำสอนถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นจะเห็นว่าที่มาพูดตรงนี้น่าสะเทือนใจก็คือว่าวัตเหลืออีกองเดียว ขนาดเหลือองค์เดียวไม่รู้เราจะพลาดหรือเปล่าเนี่ยนะเหลือองค์เดียวเนี่ยแต่ที่แน่ๆองค์นี้ยังอยู่เนี่ยอย่าอย่าประมาทนะให้เต็มที่ก็แล้วกันเต็มที่นะถ้าอีกองค์หลุดเรียบร้อยเลยตัวนี้ตัวไข่ตัวไขรตัวนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นสุญญยะเป็นสุญญยะสงไข่ไม่มีพระเจ้ายาวไกลมากแล้วลองนึกถึงตัวเองที่ร่องละหกละเหินเนี่ย เราไม่มีเราจะไปหาใครเราจะไปคบบัณดิตที่ไหนเราจะไปรออยู่ตรงไหนนะมืดมืดอย่างเดียวแล้วแล้วเราคิดมุมนี้แล้วเนี่ยเราจะตั้งท่าทียังไงใะปัจจุบันเนี่ยจะตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างไรหรือทำเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมเข้าใจแค่เดิมไม่พอแล้วไม่พอแล้วอันนี้ไม่พอแน่นอน ฉะนั้นถ้าคิดในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ฉนันตอนอยู่นี้ก็เป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันแต่พอเดินออกจากกันแล้วก็เรียบร้อยนะชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นกั น, น, นฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรามีพ่อมีเพ่แม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนใช่ไหมก็อนุเคราะห์บอกกันไปตามฐานนะเท่านั้นเองแต่ที่สุดจริงๆนั้นเราต้องรักษาใจรักษากระแสของวิธีคิดของเราแล้วก็ดําเนินแนวทางให้ชัด แล้วก็อย่ามัวเพลิดเพลินเพราะตรงนี้ท่านบอกว่าอะไรนะอภิชัยไหมความกาหนัดความกาหนัดนกความกาหนัดแห่งอันใดความกาหนัดกล้าความพอใจความชอบใจความเพิดเพลินเนี่ยความกาหนัดด้วยสามารถแห่งความเพิดเพลินกาหนัดกล้าแห่งจิตความปรารถนาความหลงด้วยนะความติดใจเย็นดีเย็นดีทั่วความคล่องติดพัวพันแสวงหาความลวง ความที่ให้สัตว์เกิดให้สัตว์เกี่ยวข้องกับทุกข์แล้วก็ร้อยสัตว์ไว้ดังตะข่ายนี่นะความเป็นดังกระแสน้สําสั้นไปในละมต่างๆมีรูปเสียงกินรสเป็นต้นอย่างกระเส้นได้นี่แหละกระจายไปความให้อายุเสื่อมไปแล้วก็ความเป็นเพื่อนสองเป็นเพื่อนที่ตั้งมั่นนี่นะตัณหาทุติโยปุริโสอ่ะศัพท์นั้นนะ่ะตัณหาบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนเป็นตาปะมิตรเป็นปาปะมิตปปรตพอตัญหาเกิดก็หลอกให้เราทํากรรมพอเราทํากรรมเบ็ดเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนําไปสู่พบติดอยู่ในลมตั้งอยู่ในลมแล้วก็ความสนิทรักความเพ่งเลงความผูกพันต ร, ตรงนี้นะโอ้เห็นคนนี้เราผูกพันก็เลยเกินเนี่ยตัญหาเนี่ยนะลักษณะการที่ผูกพัน แล้วก็หวังเราหวังกรามคุณเนี่ยเป็นตัณหาจำนงความประสงหวังในโพธภะหวังในลาบหวังในทรัพย์หวังในบุตรหวังในชีวิตความปรารถนาความใหสัตว์ปรารถนาความได้จิตปรารถนาเนี่ยวรั้งด้วยให้สัตว์เนี่ยวรั้งด้วยจิตเนี่ยวรั้งด้วยแล้วก็วันไหว อาการแห่งความหวั่นไหวความพลั้งพร้อมแห่งความหวังไหวความกำเริบความใคร่ความกำหนัดที่ผิดธรรมความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่ความอาการแห่งความใคร่ความมุ่งหมายความปองความปรารถนาดีเอปรารถนาดีด้วยนี่ปรารถนาดีอยากให้โลกเรียนให้จบนะอยากให้โลกแต่งงานเนี่ปรารถนาดีกันนยนะ ตัณหาแค่นั้นน่ะอยากให้ลูกแต่งงานอยากให้ลูกมีทรัพย์เยอะๆกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาในรูปภพในอรูปภพตัณหาในนิโรตรูปตัณหาสัทธาตัณหาคันธาราสาโัวทพะธรรมะตัณหาโอค่โยคะานิพจึงตัณหาหมดเลยเนี่ยจนถึงอนุสัยด้วย ตรงนี้สภาพของตันหาก็บอกว่าสภาพธรรมมันเป็นเหตนะุอันเป็นเหตุให้สัตว์เกิดความกำหนัดนี่นะยินดีติดเนี่ยยึดแน่นน่สรุปก็คือว่าลักษณะของเขาก็คือนั่นแหละยึดแน่นในลมอย่างมั่นคงประดุดดังกาวที่เขาติดลิงไว้กิจราศาสของตัญหาก็ชิ้นเนื้อ ติดอารมณ์เหมือนกับชิ้นเนื้อที่โยนไปในกระทะที่ร้อนน่ยแปลว่ากิ จ, จราศาสของตัณหาเนี่ยพอโยนปุ๊บไปมันจะติดเลยแล้วแกะยากแล้วนั่นคือว่าตัณหาทําหน้าที่แล้วถ้าเราเดินออกจากอะไรแล้วอะไรอวรในในอารมณ์นั้นนะอันนั้นแปลว่าตัณหาทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพิจารณาโดยชีวิตจริงเราที่ว่าอารมณ์ใดที่ติดขนาดนั้นหมอมีไหมแบบเนี้ย ฮถึงเวลาต้องกลับเลยอ่ะเนี่ยตัณหาชัดเลยนั่นแหละเขาเขาทำงานแล้วตัณหาทํางานแล้วกิจในหน้าที่ของเขาเพราะของเขาประดุดดังลิงที่ติดกาวใช่ไหมลักษณะเป็นอย่างนั้นสภาพที่ยึดติดเนี่ยสภาพที่ยินดีเพลิดเพลินในรู ป, ใ น, รปในเสียงในกลิ่นในรสเบสเซตอันนี้คือลักษณะถ้ากิจจระศาสตรของเขาคือติดเดินออกไม่ได้ออกไม่ได้ มันติดแล้วแกะไม่ออกก็โยนโยนชิ้นเนื้อใส่กระเบื้องใส่กระทะร้อนๆ น, น่ติดติดอยู่นั่นแหละแกะไม่ออกอ่ะขูดไม่ออกแล้วก็ปัจจุบันฐานก็คือไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนน้ำมันที่ติดสนิทในผ้าทิ้งไม่ได้ผลปรากฏเนี่ยปาจจาฐานเนี่ยมาจากทิฏฐิ มาจากทิฏฐิทิฏฐิไปเห็นว่า ง, งามไงในท่ามันเป็นที่มันเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เพราะใส่ทิฏฐิเข้าไปอย่างงี้นะงามมันดีอะ่ะมันน่าเพลิดเพลินเนะี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยนั่นการคิดนี่เองการตั้งโยนิเสวภิดเนี่ยให้บวกกับทิฏฐิไปเห็นว่างามซะนี่นั้นทิฏฐิที่เห็นว่า ง, งามมันเลยเป็นปจัจจัยแกโลภะทิฏฐิเห็นว่า ง, งามเลยเป็นประฐานของโลภะอย่างเงี้ยจะมองนี้เห็นเห็นเลย นั้นมันอยู่ที่การคิดเนี่ยการคิดเนี่ยการให้ข้อมูลตัวเองเนี่ยโอ้ลูกดีลูกดี <c oughs> เล้าก็เอาและหมายเขาบอกอ็เลยเห็นเขามันน่ารักหมด อ, อะ่ะ <c oughs> เขานั่งก็น่ารักยืนก็น่ารักยิ้มก็น่ารักะ <c oughs> เช่นยังไงคือคือคือผมผมคิดว่าจะไม่ยกตัวอย่างเพราะว่าอาจจะอยากจะฟังมเห็นของท่านเพราะว่าอย่างเช่นสมมติเราเรามีพันธะอ๋อมีเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่อ๋ออ๋อปฏิบัติตามหน้าที่แล้วไม่เป็นตันหานี่หรือเป็นตันหาใช่ไหม ะะ ล, ลักษณะของตัญหาหรือไม่ใช่ตันห า, หาอ๋อถ้าไม่ใช่ตัญหาใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าปฏิบัติต่อสามีต่อภรรยา <c oughs> หรือต่อบุตรใช่ไหมถ้าไม่เป็นตัญหานั้นเป็นจารีศีลเป็นกุศลจิตจารีศีลเป็นกุศลจิตก็หมายความว่า อ, อ, อย่างยกตัวอย่างลูกควรปฏิบัติต่อพ่อเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ แต่เป็นกุศลนะละศีลนะเป็นจารีตไม่ใช่ตัณหาเพราะทําหน้าที่เหตุที่ทําหน้าที่คิดถึงใครคิดถึงพระบรมศาสดาบัญญัติจารีศีลไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติบูชาคุณของพระศาสดาด้วยและตนเองเดินจารีศีลเป้าหมายเพื่อทําวาลิตตศีลให้บริบูรณ์เพราะการอบรมกายไม่บริบูรณ์แล้วเนี่ยอบรมอบรมศีลจกไม่บริบูรณ์เพราะในภาษาสนานี้พระศาสดาสอนการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญา เราก็จะตั้งมั่นในการอบรมกายโดยการทําหน้าที่ให้บริบูรณ์ก็โดยฐานะว่าเป็นลูกท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบแต่ในขณะเลี้ยงท่านตอบก็ทําโดยฐานะจารีสีลเป็นกุศลศีลที่เกิดขึ้นมีเจตนาศีลในการปฏิบัติที่เป็นไปกับกุศลจิตไม่มีตัณหาเกี่ยวข้องไม่ฉาบติดแต่ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณคุณของพระศาสดาแล้วก็คุณของบิดามารดาคุณของกุศลที่เราทําไว้ เพราะกุศลที่เราทำไว้เรามาเกิดเป็นลูกของแม่ลูกของพ่อนั้นเราปฏิบัติอย่างนี้เป็นการระลึกถึงบุญคุณความดีทั้งหลายแล้วก็ตอบแทนบุญคือคุณความดีทั้งหลายนั้นและในขณะเดียวกันที่หลักใหญ่จริงๆเราได้บูชาคุณของพระศาสดาด้วยการปฏิบัติในฐานะของความเป็นลูกที่ถูกต้อง เ, เลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านในขณะทากิจก็ไม่ได้ทำด้วยอนาจของโลภะโทสะใดา พยายามรักษาให้ใจเป็นไปกกุศลศีลและในขณะเดียวกันก็คือว่าดำรงวงตระกูลรักษาให้ดูเรียบร้อยแต่ดำรงวงตระกูลเป็นไปกกุศลศีล น, นะถ้าหากว่าท่านล่วงลบเป็นแล้วก็ทำบุญอุทิศก็ไม่ได้เป็นไปกับตันหาเลยก็ทำกิจหน้าที่ให้บริบูรณ์ในฐานะที่เป็นลูกที่ดีอย่างนี้นะอันนี้น้อมอะไรน้อมบูชาคุณของพระาศาสดาเลยเพราะพระาศาสดาสอนจารีศีลไว้ เพื่อจะเพื่อจะเอาจารีตศีลที่อบรมกายนี่แหละเป็นปัจจัยแก่วาริตศีลที่จะทําศีลที่เป็นไปในภูมิสี่คือปาฏิโมกสังวรศีลคือศีลหคืออาชีวธรรมกศีลอุบสถศีลศีล9กศีลสิที่เราสามารถจะรักษาได้ตามกําลังนั่นนาะตามกําลังที่เราเราอยู่ในฐานะใดๆนั่นแหละทําศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์ได้นั้นก็ต้องกายเลยต้องอบรมให้ชัดใช่ไหม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องการพัฒนาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานะีที่เราต้องทําหน้าที่อย่างนี้ที่เป็นไปกับกุศลศีลและรามัดระวังใจไม่ให้เป็นไปกับโลภะเพราะว่าถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นอภิชาและโทมานาตเกิดขึ้นกุศลศีลก็เสียศูนย์แล้วตอนนั้นไม่ใช่เป็นกุศลจิตการกระทําเหล่านั้นก็ไม่เรียกว่าตอบแทนด้วยหนึ่งไม่ตอบแทนพระศาสดา2ไม่ตอบแทนบุญกุศลในอดีตสมไม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ สีชื่อว่าเราปฏิบัติผิดศีลในข้อของจารีตแล้วงั้นแต่เรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยหว่าการกระทําหน้าที่แต่ให้เป็นไปกับการเจริญกุศลศีลในชีวิตจริงได้เพราะเราเข้าใจไงว่าเราต้องการจะขัดเกลาตัวเองเพราะกา ย, ยากรรมเพราะกายเนี่ยนะกายเราไม่ได้อบลม้ม การอบรมกายก็คือข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ที่พึงปฏิบัติต่อสามีต่อภรรยาต่อลูกต่อพ่อแม่ต่อครูอาจารย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสาวกของพระเจ้าต่อพระบรมศาสดาเป็นต้นอันนี้เป็นจารีตศีลที่พระศาสดาฝากไว้หรือประทานไว้อย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้ใจก็เป็นไปกุศลละศีลใช่ไหม เพราะตัวกุศลเนี่ยจะทํากายกรรมวิจีกรรมนั้นน่ะไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้ภาวะของความทุ่ศีลเกิดขึ้นเพราะจะมองเห็นใช่ไหมเนี่ย<ม>ถ้าคืออย่างนี้ถ้าอาชีวปริสุทธิ์ศีลเนี่ยมันเป็นตัวที่คือต้องเข้าใจอย่างนี้กันว่าเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการรัก ที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุการพูดเทศส่อเสียดคําหยาบเพื่อเจอใช่ไหมสองส่วนเนี่ยถ้าอาชีพบริสุทธิ์นั้นน่ะก็หมายความว่าเว้นจากกายทุจริ 3, ตสามวจีทุจริตสีที่เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพแปลว่าอะไรก็แปลว่าตัววิรติที่เป็นสัมม า, าชีวะเนี่ยจะตัดหลอนมิจฉาอาชีวะได้เมื่อเห็นเมื่อกระทํากิจต่างๆในฐานะที่กําลังกระทํา ไม่ให้มิจฉาอาชีวะเกิดขึ้นเพราะว่าตัดรอนกายยโสจริตได้ว่าจีทุจริตได้และในขณะเดียวกันก็คือตัววิรตีมาชมําระไหมสัมมาอาชีวะเนี่ยวิรตีเนี่ยจะมาตัดรอนเวรลเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งทุทจริตธุล า, าชีพทั้งหลายนั้นก็เกี่ยวกับอาชีพที่ทําปกติแปลว่าอะไรตอนนั้นใจเป็นกุศลถ้าได้หลักใจเป็นกุศลไอ้ดอน กอยะคะคือก็ทำสิใดๆก็ตามเนี่ยที่ให้อยู่บนกายะสุจริตปฏิสติอิโนสุจริตโดยไม่มีพิธีต่างๆห้อมร้อมที่พิธีที่เป็นอุปสรรคห้อมร้อมเป็นพิธีของการที่มีอุปทานเป็นตัวที่ทําให้เราทําเป็นไปต่อทีขึ้นขอย่างในความที่ไม่อสระเลยในความยีดแม่นั้นลกของเรานั่นครของเราบริบาลของเราคือ ให้ทํำยังานให้กุศลของเราเนี่ยเป็นกุศลที่อิสระไร้พันธนาการต้องห้ามโยงโยงจากใช่ข้อนี้ค่ะคือหมายความอิสระจากสิ่งทงโบนค่คือให้เป็นกุศลล้วนๆไม่มีวิถีอื่นที่คล่อมล้อมที่ด้วยความยึดมั่นถึงมั่นในบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะการที่มั่นถึงมั่นในบุคลมมบบลบคลที่เกี่ยวข้องถ้าเราทําตามที่ท่านไม่บริดีโบนแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องแล้วเป็นไปไม่ตามปรฐาน เพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือทำอย่างไรคือให้กุศลติาเกิขึ้นโดยที่เป็นวิถีที่มีวิถีจากปัญญามีความเข้าใจในสิ่งตัวคนต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยกันก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อของกุศลนั่นเองแต่ว่าจริงๆอย่างนี้นะในฐานะที่พ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์หรือสาวกของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมัน มีคำว่าคุณนะนะต้องเข้าใจคำว่าคุณแต่ละบุคคลคุณธรรมต่างๆนั่ น, นไม่ใช่ว่าคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต้องต้องมองให้ดีว่าจริงๆในะขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ท่านจะไม่แยกไม่ออกว่านี่คือพ่อแม่นี่คือคนอื่นนะนะตอนท่านแยกออกนะตรงนั้นนะแต่ในะขณะแยกออกอย่างนั้นก็คือว่าที่กล่าวเกี่ยวเรื่องของอุปาทานนะเป็นสิ่งเพราะว่าการที่อกุศลไม่เกิดนั่นก็ถือว่าอุปาทานไม่เกิดอยู่แล้ว เหตุผลในยุคป uh, mm ัจจุบันเนี่ยเพราะเราปล่อยให้อกุศสแลศีลมันเกิดเงี้ยอ๋อแน่นอนตรงนั้นต้องระวังต้องระวังก็เหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราจะต้องมาพิจารณาว่าอยากให้อยากให้บาปมันเกิดตรงนี้สําคัญมากอยากให้บาปมันเกิด เพราะว่ายิ่งบุคคลที่จะเดินบารมีสูงสูงด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหต้องชัดเจนชัดเจนขนาดไหนดูอย่างพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยที่ท่านให้ลูกสองคนแก่ยักษ์ที่แปลงมานี่นะพอพอพ อ, พอให้ลูกไปเบีเสร็จเนี่ยพอพอมนุษย์ที่แปลงมาในร่างยักษ์จับลูกได้เเสร็จเลยท่านก็ยืนมองทานกุศลของท่านด้วยความชื่นใจอย่นั้น ก็หักคอลูกเลยแล้วก็อ้าปากเห <fle él. S 1> ็นแสง <ừ. S 1> เห็นโลหิตที่ไหลในในช่องปากของยักษ์ท่านเกิดปีติว่าท่านานึกถึงสัพพัญญุตยา น, นึกถึงแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นจากกายานปัญญาจิตของท่านบอกใจของเราไม่หวั่นไหวเลยในขณะที่ยักษ์นั้นหักคอลูก เลือดกระเด็นติดเราอัอนนี้แปลว่าแปลว่าไม่ธรรมดาลเลยไม่แน่ใจเนี่ใจพระโพธิสัต์อย่างนี้แต่ น, นี้บ่งบอกถึงระดับสูงให้ดูว่าเนี่ยปุถุชนยังเป็นปุถุชนแต่ ว, ว่าระดับสูงขนาดไหนลองมาวัาดาว่าเออนี่ไงไ ม, ไม่ไม่มีประทานใช่ไหมท่านถอนได้จริงทศสละแล้วสละให้จริงๆ น, นี่นั่นแหละนั่นแหละ นี่ลักษณะที่ใครควรจนชัดถ้าอย่างเราก็เป็นลมตอนนั้นเลยใช่มเป็นลมไหถ้าก็าหาักคอหลานกินตอหนั้นตัวตาเป็นยังไงสดลงตอนนั้นไหมสดเลยนึกถึงว่าทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนึกได้ไหม <c oughs> นึกไม่ออกเลยต้องแรงงั้นต้องตั้งมั่นมากเลยนะ ตรงนี้นี่แหละเขาจึงบอกประทัดฐานคือทิฏฐิที่เห็นว่าสวยงามนี่นแหละมันเป็นอารมณ์แห่งสังโยชน์โลภะก็ยึดอารมณ์ไม่เพียงแต่ยึดอารมณ์เท่านั้นแต่ต้องการยึดติดแน่นไม่ทิ้งอารมณ์ด้วยอำนาจความติดแน่นด้วยตัณหาว่าของเราฉั้นโลภะนี่นะท่านจึงบอกว่ากาวดักลิงยึดลิงยึดติดลิงไว้แน่นไม่ลิงหนีไปได้ชั้นใด ลักษณะของโลภะเป็นอย่างนี้ถ้ามาบวกกับทิฏฐิที่ท่านใช้คำว่าอโยนิโสอภินิเวารคณาเห็นผิดความเห็นความรู้เห็นไม่ตามความเป็นจริงเนี่ยก็เรียกเห็นผิดอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอุปทานเนี่ยแต่เนี้ยถ้าเราไปยึดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอีกในหนึ่งก็คือความเห็นที่ไม่ถูกต้อง พอยึดถือที่ผิดไปเพราะยึดถือที่ผิดเอาแล้วนี่ยึดติดแน่นแล้วในที่สท่านแสดงว่าความเห็นอันบันดิตลังเกียรติเตียนเพราะก่อให้เกิดความไร้ประโยชน์พระบรมศาสดาหเห็นว่าไร้ประโยชน์เลยตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเพราะว่าไร้ประโยชน์หรือในที่4ท่านใช้คําว่าทํามันเป็นเหตุแห่งอารมณ์แห่งเข้าใจเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่ผิดพลาดนั่นเอง เห็นบัญญัติก็ผิดพลาดเห็นประมัตยก็ผิดพลาดของธรรมที่เกิดพร้อมเกิดตนด้วยทังนี้ก็คือเห็นผิดเห็นปรมัตยธรรมผิดก็คือไปเห็นผิดในไหนสังขารธรรมรูปนามทุกขสัจจะสมุทยาสัจจะสังขารธรรมรูปนามเป็นของของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะเนี่ยแต่ไิ่ฉาทิฏฐิไปเห็นตรงกันข้ามทันี้ไปเห็นว่าเที่ยงบางสุกบ้างอัตตาบ้างเห็นว่าสวยงามอย่างงี้นะ ลักษณะของมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เห็นปรามาสผิดเขาเรียกว่าเห็นอารมณ์ปรมามัตธรรมผิดพลาดไปปร ะ, ประทัดฐานของเขาก็คือการใส่ใจในอารมณ์ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออไม่ใช่ปัจจุประฐานคือการปรากฏ เ, เห็นผิดพลาดถ้าประทัดฐานก็นั่นแหละไม่ประสงค์เห็นอริยะคือคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประสงค์เห็นพระพุทธเจ้า ไม่ประสงค์ที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปนั่งใกล้ไม่ประสงค์ที่จะไปสมาคมเลยนั้นใจที่คิดอยู่อย่างนี้บ่อยๆการใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆเลยเป็นปัจจัยกับความเข้าใจผิดเลยเนี่ยนะตรงนี้สําคัญเลยนั่นหลักตัวอุปาทานตรงนี้ท่านแสดงอภิชานะอภิชา